เ น, นาคที่พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเห็นเนี่ยมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามข้านาคเป็นนาคทางจังหวัดทางท่งทง า, า, านพิพากษาหัวหน้าศาลสีส่ศาลอายการโคหนาศวนราชการร่วมกันจะบวชนาคจังหวัดอุดรเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงทั้งหมดมียี่ ส่งเข้ามา26นา้าที่จะบวชวันที่2ธันวาพุทธศักราช2553เลยแหละจะไปบวชที่วัดโพธิสมพรบวชกับเจ้าคุณปูพระอุรมญาณโมลีแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณราชเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นพระอุปชัชฌาพอบวชแล้วสุดแท้แต่มากแต่พระใหม่ จะกลับมาอยู่ที่เก่าหรือจะไปที่ไหนก็ตามมัธยาสัยทางจังหวัดเขาคงจะมีที่รองรับไว้แล้วจะไปให้ไปอยู่ที่ไหนตามมัธยาสัยของนาแต่จะให้บวชหนึ่งเดือนจะให้บวชหนึ่งเดือนนี่ก็เข้ามาฝึกซ้อมเข้ามาฝึกหัดเข้ามาเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะบวช ผู้ที่จะบวชก็เ ต, ต, ตรียมพร้อมเหมือนกันนะฝึกขัดขานน้ากและเตรียมพร้อมทำร่างกายอีกต่างหากอยู่กินยังไงอยู่ชั้นมือเดียวได้ไหมไหวไหมหิวขนาดไหนฮะอันนี้ก็คือมาเตรียมพร้อมแต่ตามไม่จริงมาอยู่ในวัดโดยมากจะไม่ค่อยหิวหรอกถ้ามันอยู่ในตลาดมันจะหิวก็คงจะแปลกใจเหมือนกันนะเอ๊ะมาอยู่วัดทาไมไม่หิวฮะแต่อยู่ในบ้านน่อด ทานมื้อเดียวอย่างนี้โอ้ยไม่ไหวเลยใจจะขาดมันหิวเพราะมาอยู่ในวัดปา่าเนีโดยมากจะไม่มันไม่ถูกกลิ่นอาหารส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ตัดใจอีกว่าเราจะทานเพียงมื้อเดียวมันตัดใจได้แล้วมันก็ไม่หิวโดยมากพวกที่จะบวชถ้ามันหิวเหมือนกับคารวะมันก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ลุงพ่อไม่คิดถึงเลยนะเรื่องอาหารมันไม่หิวเลยไหมไม่มีความรู้สึกเลยอ่ เพราะมันเคยชินมาแล้วนี่แหะขอให้ผู้ที่จะเข้ามาบวชลูกหลานทุกคนนะตั้งอกตั้งใจบวชคราวนี้บวชมีความหมายอย่างมากบวชเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลในหลวงอายุแปดสิบสามพันศาวันที่ห้าธันวาเนี่ยปีปีหน้าเนี่ยแปลว่าพระองค์ท่านก็แปดสิบสี่ เป็นวันสำคัญยิ่งตเจ็ดรอบสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เจ็ดรอบปีหน้าเนะเป็นปีสำคัญอย่างยิ่งปีนี้ก็เป็นปีแปดสิบสามพวกเราผศนิกรทุกหมู่เราที่พึ่งพระบรมโพธิสมภารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของประเทศชาติอันนี้ก็ในหลวงพวกเราถึงปีตูกหลานที่ยังไม่เคยบวชก็แสดงความจำนงขออุปสมบทเพื่อเราจะถวายท่านอย่างอื่นเราก็ไม่มีเราก็จนเพราะนั้นเราจึงเป็นการปฏิบัติบูบชาเอากายวาจาใจของเราเนี่ยแหละ เขามาบวชแล้วก็ทำตนเป็นพระที่ดีเมื่อบำบวชแล้วก็เป็นพระที่ดีมีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยในเมื่อออกไปเป็นคราวาสเราก็เป็นคราวาสที่ดีเพราะเราได้ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วได้ศึกษาแล้วเข้ามาอยู่เพียงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็ถ้าเราเอาจิงเอาจังก็เป็นหลักเป็นฐานเหมือนกันนะเหมือนกับเราหนีออกมาจาก ที่กองไปอย่างนั้นเมื่อเราเป็นกระวาดเยเราอยู่กี่ปีมกมุ่นในการทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาค้าขายจะทํำยังไงเราจึงจะมีอยู่มีกินกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนเป็นควันยังไงเวลากลางคืนกัดนอนไปกัดนัองคุ้นคิดจนหลับฮแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะกลางคืน มันเป็นควันควันฟุ้งอยู่ในใจเพราะงั้นอ่ะกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวเพรกลางวันขึ้นมาเราก็ไฟแลบเปลวงั้นอ่ะอ่าเราก็ทํางานนู่นทำงานนี่เพื่อจะเก็บพร้อมรอมริบเพื่อจะเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูก เ, เลี้ยงหลานเพื่อจะตั้งหลักตั้งฐานให้ตนเองทํามาหาเลี้ยงชีพจะทํำยังไงจึงจะอยู่รอดเนี่ยเป็นเปลวแล้วงั้นอ่ะไฟแหลบกลางคืนมาก่อน กลับไปกั น, นอนคุนคิดอีกกลางคืนเป็นควันควันทุยทุยอยู่ในใจใพอกลางวันขึ้นมาก็เป็นเปลว อ, อีกนี่ชีวิตของครวาดแต่บัดนี้เราเป็นพระเมื่อเข้ามาบวชเป็นพระเนี่ยเราควร น, นึกทบทวนย้อนหลังดูทีเนี้ยเออเมื่อข้าพเจ้าเป็นครวาดข้าพเจ้าทําสิ่งไหนบ้างที่มันถูกต้องทําสิ่งไหนบ้างที่มันเสียประโยชน์ทำสิ่งไหนบ้าง ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทําสิ่งไหนบ้างที่มันถูกต้องเป็นธรรมอเราควรจะนึกย้อนหลังดูถ้าว่าเรานึกย้อนหลังดูนะสิ่งไหนที่เราทําไหมมันไม่เกิดประโยชน์กินเหล้าเมายาสมเเัมมเลเทเมาเล่นการพนงพนังคบคนที่ไม่ดีทําจุดนั้นเออมันเสียบมันเปล่าประโยชน์จริงๆทําตนให้เดือดร้อนแล้วทําุ ให้คนอื่นเดือดร้อนอีกต่างหากเน่ยเมื่อเราเป็นไปเป็นครวัตข่าวนี้กับบ อ, อกไปแล้วเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกเรานึกย้อนหลงังเออเมื่อเราเป็นครวัตเราทําเดินมาถูกแล้วจุดนั้นออทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาค้าขายเก็บพร้อมลอมฤทธิออ์สามีภรรยาลูกหลานก็ร่มเย็นเป็นสุขเข้าใจกันได้ดีเออเมื่อเราออกไปเราก็จะตรงทํา ต่อจุดนั้นแหะพยายามทําจุดนั้นให้ดีขึ้นต่อเติมจุดนั้นให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเมื่อเราออกมาเราต้องคิดนะเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแตถ้าเราคิดดีการกระทําก็ต้องดีการพูดก็ต้องดีถ้าเราคิดชั่วทําออกไปก็ชั่วการพูดออกไปมันก็ต้องชั่วเพราะมันไปตามตามความคิดของพวกเรา วันนั้นหลวงพ่อยังแนะนําอยู่เสมออย่างเมื่อวานก็ไปก็พูดเออลูกหลานเออกเษตรตะกำสหกรณกา ร, กรเกษตรทั้งหลายไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งตั้งแต่การสร่องแสวงหาทราออทาาัพย์อย่างเดียวทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวทําสนยงสวนยางทําไร่ทำํำนาอย่างเดียวแต่เราควรจะคิดว่าชีวิตของเราเนี่ย การดำเนินมานี่เราเดินมาถูกทางหรือเปล่าในชีวิตของเรามาถึงจุดนี้เราหนักไปทางไหนหนักไปทางการพนันอ่ะอบายยมุกหรือเปล่าอบายยมุกก็คือเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นดื่มน้ําเมาดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกจฉาค้านทําการงานอันนี้ก็คืออบายมุกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ พวกเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะถ้าพวกเราหมกมุ่นในอบายมุกชีวิตของพวกเราจะเดินตกเขียวตกปอไปเรื่อยล้มลุกทุกขานไปเรื่อยแต่ถ้าเรางดเว้นจากอบายมุกมันขยันให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ในการดำรงในการดารงชีพชีวิตของเราจะราบรื่นและก็พร้อมเราให้เราตระหนักไว้ในใจเสมอเรื่อง การทาที่มันผิดกฎหมายเช่นค้าขายยาบ่งยาบ้าคันชายยาฟินเฮโรอิน อ, อ, อย่างเนี้ยเรืว่าขายของที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ให้เราคิดไว้นะคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระพูดในฐานะพระนะไม่ใช่พูดในฐานะอย่างอื่นในฐานะพระหรลวงปู่หลวงตาเป็นห่วงลูกห่วงหลาน สมมติว่าเราไปขายยาบ้าให้คนอื่นขายคัญชายาฝิ่นให้คนอื่นขายเฮโรอองเฮโรอินให้คนอื่นเขาได้กินยาบ้ายามา้คัญชายาฝิ่นเฮโรอินของเราเขาติดยาบ้าอย่างเนี้ยอย่างหัวหน้าครอบครนะัวอย่างเี้ยลูกกำลังเขาจะกำลังจะล่าจะรวยกำลังจะตั้งหลักไดเ้เราก็ขายยาบ้าให้เขากินซะในเมื่อเขากินยาบ้าแล้วเนะี่ย ครอบครัวเขาก็ล่มสลายแสลายไปหมดเลยเพราะเหตุไรเพราะพ่อเจ้าบ้านติดยาบ้าอย่างนี้นเราเป็นที่พอใจเหรอสมมติว่ามาเจอเราเข้าเหรท่านี้นใช่เจอคนอื่นเราก็ไม่ได้คิดพราะเจอคนอื่นแต่พอมาเจอเราล่ะอถ้าเราติดยาบ้านะ่ะกิจการงานของเรากําลังจะรุ่งเรืองเราติดยาบ้าซะเนี่ยแล้วครอบครัวของเราสลายไปหมด ้ามีภรรยาลูกหลานของเราแตกกระจุยกระจายกันไปหมดเพราะหัวหน้าครอบครัวติดยาเสพติดหรือแม่บ้านก็เหมือนกันถ้าแม่บ้านติดยาเสพติดแล้วเป็นยังไงลูกของเขาแต่ละคนติดยาเสพติดเป็นยังไงลูกหลานของเขาติดยาเสพติดเป็นยังไงถ้าเป็นของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าว่าเรามีลูกหลานติดยาเสพติดอย่างนั้น ในครอบครองด้ในการรับผิดชอบของเราสิ่งเหล่านี้ให้พวกลูกหลานคณะสัตยาญาิโยมคิดให้ดีนะลูกหลานนะ้าอย่าไปเห็นแก่ได้อย่างเดียวพอมาเจอตัวเองเข้านั่นแหล อ, อมีความรู้สึกยังไง เ, เพราะนั้นการจั ก, กระทาสิ่งใดก็ตามถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วอย่าทำนะถ้าทำเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนอีกสักวันหนึ่งกำล้อโกงเกวียนนะั่นะมันจะมาหมุนเวียนมาหาเรา ทีแรกเราก็ทำให้เขาก่อนปัตนี้ต่อไปกรัมตัวนั้นอ่ะมันจะหมุนกลับมาหาตนเองย้อนฉะท้อนย้อนกลับมาหาเราไม่ไปที่ไหนหรอกอกรรมมุทินาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าตนกระทาไว้ไม่ดีกรรมนั้นก็จะต้องเข้ามาหาตัวเองไม่ดีถ้าตัวเองทำกรัมดีกรรมดีก็จะตัมมาหาเราอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้น การเป็นอยู่และการอยู่ด้วยกันให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาตาเราไม่ชอบใจในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้ น, น, นเราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่แหละทําคําสอนของพระพุทธศาสนาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลสรุปแล้วก็อยู่กับตัวพวกเราท่านทั้งหลายเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเราไปดา่าไปพูดไปแสดงอากับกริยาให้แก่เขาเขาไม่พอใจถ้าเขามาทําให้แก่เราล่ะเราก็ไม่พอใจเพราะนั้นเราจะไปทําให้แก่เขาเนี่นี่แหละนี่แหละหลักธรรมคือหลักเหตุผลถ้าเราไปอยู่ณสถานที่ใดถ้าเราคิดไว้ในใจคิดไว้ในใจอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเราไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่กับใครชนในชุมชนนั้นจะไม่เดือดร้อนกับเรา เพราะเราคิดดูแล้วมองดูแล้วดูตัวของเราแล้วแล้วก็มองคนอื่นด้วยสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อสถานที่ที่เราไปอยู่พักผาอาศัยเราก็ทําสิ่งนั้นดูให้ดีปัดกวาดทําทความสะอาดสิ่งไหนที่จะทําให้เดือดร้อนเราจะไม่ทําถ้าเราทําได้อย่างนั้นนะ่ะมาไปอยู่ณสถานที่ใดเบา อ, อกเบาใจไปอยู่กับพ่อกับแม่ กับวงสาคนายาตกับครูบาอาจารย์หรือสถานที่ต่างๆเขาพอไปแล้วเขาก็ยังปรารถนาอยากจะให้มาอีกอยากจะให้มาอีกเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามาแล้วมีแต่คุณประโยชน์แต่ถ้าว่าไปอยู่กับผู้ใดก็ตามไปแล้วไปขี่เลียกขี้ลาดทำความสกรปรกรกรุงรังให้แก่เขาพอไปแล้วโอ้อย่ามาอีกเด้อ ทุกแข่งทุกหนมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะัทธาญาติโยมทั้งพระทั้งานาคนั่นะนี่ที่หลวงพ่อพูดท้งนี้ทั้งนั้นสอนบอกกล่าวให้พวกเราไปอยู่นสถานที่ใดอย่าให้คลอื่นหนักใจกับเราให้เบาใจกับเราไปทสถานที่ใดช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ช่วยการพัฒนาสถานที่ให้น่าอยู่เนี่แหละเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดลูกหลานทุกองค์ก็ว่าวัดนี้เป็นวัดหลวงพ่ออินไม่ใช่นะถ้าเป็นวัดหลวงพ่ออินใครเข้ามาหลวงพ่อจ้องเต็บเหมือนกับโรงแรมเเห็นไหมเป็นเจ้าของโรงแรมก็ต้องเก็บค่าชงค่าเช่าค่าหอาหารเขาเก็บหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นหลวงพ่อเป็นผู้บริหารอมีน้ําใจคล้ายๆว่าเออเอาพวกเราเนาะ มีแตโน้มน้าวทุกคู่ทุกคนให้หันหน้าข้อหากันให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้รักกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันมีอะไรกระสงเคราะห์อนุเคราะห์กันหลวงพ่อที่เป็นผู้ใหญ่ก็มองหาเออสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระต่อเนนต่อญาติต่อโ ย, ยมต่อผู้ที่มาเกี่ยวข้องเออตรงนั้นขาดนะไม่สะดวกสบายเออเอาหามาเพื่อจะให้พวกเรา ได้อยู่ได้ชั้นเมื่อได้อยู่ได้ชั้นแล้วก็เอาตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของแต่ละท่านในเมื่อพวกท่านได้บุญได้กุศลแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้แบ่งจากบุญกุศลจากพวกเราหลวงพ่อก็สร้างของหลวงพ่อเองพวกเราก็สร้างของพวกเราเองนี่แหละอันนี้ก็คือถือสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ท่านสอนพระสงฆ์พระสงฆ์ก็นับรับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาหลวงพ่อเองก็สืบทอดจากหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาหลวงปู่จามห ล, หลวงปู่แหวนที่หลวงพ่อไปอยู่จากนั้นก็นครูบาอาจารย์ที่เข้าไปศึกษาที่รู้จักวักคุณจากนั้นก็ น, นำทำํำสังสอนกฎกระเบียบที่ได้ศึกษามานั้น มาอยู่ที่วัดของหลวงพอ่อหลวงพออ่อก็อ้าสืบทอดไปต่อไปพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอ้าสืบทอดพระ พ, พุทธศาสนาที่หลวงพ่อพาดำเนินไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญเป็นแหล่งลงทุนเป็นแหล่งสแสวงหาทรัพย์เป็นแหล่งขุดทอง่ะไม่ใช่แหล่งอื่นนะ แต่ถ้าหากว่าพวกเรามาอยู่ที่วัดขี้เกียจทําความเสียหายเกิดขึ้นเผาเขาขุดทองเรามาขายยาบ้าทีนี้เอเผลอๆตารวจเขาก็มาจับเหมือนกันนะเพราะทั้งที่มาอยู่กับวัดวดาศาสนาทําตนเป็นคนเลวอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเรามาอยู่วัดวดาศาสนาตั้งตนเป็นคนดีแล้วก็ขุดทองรักษาศีล ตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนเช้าเย็นบอกนะ้าลูกหลานเนอ้อเป็นคนดีเนะ้ออย่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำเนะ้อถ้าทํามันเดือดร้อนนะอกะตังทุกตังเซโยปัชชาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังอากตังทุกตังเสยโยปัชชาตปฏิทุกตังหลวงพ่อ แปลเป็นภาษาบาลีโคนะกขก้นมาคำชั่วจะทำสีเลยดีกว่าเพราะกรมชั่วนั้น เ, เมื่อตายไปแล้วเขาเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังพวกเราคิดดูใชพวกเราไปในงานศพต่างๆอพอตายพอคนหนึ่งมรณภาพไปในงานศพก็ต้องต้องอ่านประวัตินะประวัตินางนั้นนายนี้นามสกุลนั้น เมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้มันขยนันอดทนเป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทำมาหาเลี้ยงฉีพบโดยความสุดจิตสิ่งไหนที่มันช่วยช้าเสียหายเขาจะไม่ทำเด็ดขาดในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ครอบครัวของเขาจึงจเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะอ่านไปในลักษณะอย่างนั้นอ่านประวัติคนตายนะผู้วัยชนนะ แต่บางคนน่ไม่เป็นอย่างที่เขาอ่านบางคนโอ้โหครอบครัวแตกสลุกผู้พ่ายนักเลงหัวไม้กินเหล้าเมายาหัวลาน้ำหาความรับผิดชอบในครอบครัวแต่ละวีแต่ละวันทะเลาะกันตีกันต่อยกันหัวล่างข้างแตกไม่รู้ว่าลูกไปรู้ว่สามีภรรยาครอบครัวแตกสลุกผู้พ่ายพอตายไปแล้วเน่ผู้ที่เขาจะเขียนก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเขียนตามประวัติที่มันเป็นจริงเ่ ก็ด no ูๆแล้วก็โอ้โหอุดสูดูได้เหมือนกันเะเขาก็เลยยกเมฆเขียนนะี่ยกเมฆเขียนเามือนกันเะมีเอาของดีๆมาพูดพูดที่อยู่ใกล้โอ้ยคนที่เขียนประวัติไอ้หมอนี่นะเป่นใครเปล่าเป็นคนคิดเขียนขึ้นมาว่ะทําไมยังเอายกเมฆพูดมันไม่ดีอย่างที่เขียนสักหน่อยเลยมันตรงกันข้ามมันหันหลังหากันเลยเนี่ย นี่แหละไอ้คนที่อยู่ใกล้นะรู้นะเพราะนั้นพวกเราสิ่งที่มันชั่วอย่าทําำถ้าทําไปแล้วเนะี่ยเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็เขียนประวัติยากอีกอเพราะนั้นอย่าให้เขาเขียนประวัติยากสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราควรจะทําสิ่งนั้นให้เขาเขียนประวัติของเราง่ายๆ่ายยกประวัติขึ้นมาเขาจะได้เขียนง่ายง่ายอ่านะั้นี่แหละต้องคิดไกลๆอย่างนั้นนะคิดแต่ในปัจจุบันไม่ได้นะต้องคิดถึงอนาคตด้วย อนาคตคือการเป็นอยู่นั่นหละลูกหลานของเราก็จะได้เอาเป็นตัวอย่างผี่น้องญาติผี่น้องวงสาคนายาตของเราจะได้เอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สิ่งชั่วช้าลามกเสียหายทําขึ้นไปคนอื่นเดือดร้อนฝุ่นวายไปหมดสิ่งนั้นมันไม่ถูกนะลูกหลานคณะรัต ย, ยาติโยมพวกเราทุกๆกท่านนะและก็พร้อมกันกับคิดถึงอนาคตด้วยอนาคตก็คือนู่นทุกคนเห็นไหม ปู่ย่าตายายของเรามิตรสหายของเราวงสาคนาญาติของเราไปไหนหมดเลอตายไปเรว่อยๆกี่คู่กี่คนเราจะตายไม่เป็นอย่างงั้นใช่ไหมถามตัวเองเถเนยย้อนมาถามตัวเองข้าเนี่ยคงจะตายไม่เป็นยางงั้นใช่ไหมก็คงจะตอบวกกัวกเหมือนกันนะคงจะตอบไม่ได้เพราะงั้นอ่ะข้าก็ต้องตายเหมือนกันก่อนที่จะตายแหละคุณงามความดีพร้อมอลไอย่างตายแล้วไม่สูญนะ เดี๋ยวที่จริงเขาว่าตายแล้วมันศูนย์อ่ะอไม่เห็นมันมาบอกอ่ะมั่นใจไหมว่าตายแล้วมันศูนย์อ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่ศูนย์นะวิญญาณเนี่ยมันนามะธรรมตัวนี้แหละมันไม่ศูนย์นะตัวนึกคิดนึกคิดอยู่เนี่ยตัวนี้แหละมันไม่ศูนย์นะพอออกจากร่างแล้วจะไปปฏิสนธิไปหาที่เกิดอีกนะตัวนี้แหละเป็นตัวทํากรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า นี่แหละหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนเรื่องใจตัวนึกคิดตัวนี้แหละเป็นตัวใหญ่ท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาในท่านเน้นเรื่องของใจ้ท่านมาเน้ น, เ, น, นเรื่องของกายร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนแก่เจ็บตายก็คอยเราอยู่ถึงจะเลี้ยงอาหารดีขนาดไหนทุกวี่ทุกวันทุกวีทวัน ถึงจะเอาหายาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนหมอดีขนาดไหนตรวจ ด, ดีขนาดไหนกินข้าวแต่ละคําเพื่อจะให้มันถูกสุขคันละขณอหาผ้านุ่งหม่มผ้าดีขนาดไหนเอามาให้หม่มบ้านหรูหราโออารขนาดไหนเป็นที่อยู่อาศัยแปลว่าปลอด อากาศ ฟ, ฟอกอากาศทุกห้องอยู่ขนาดไหนแต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่มีร่างกายไหนจะไม่แก่ถึงจะเลี้ยงไปก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปผลในสุดนั่ น, นะแกะง่งอมผลในสุดกับฟันหลุดหูตึงผมงอกไม่มีใครที่จะพ้นไปได้ผลใ์สุดก็นจุดจบจอดตายตายแล้วไปไหน พระพระเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาธรรมานะให้นั่งสมาธิในเมื่อนั่งสมาธิตาให้นิ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าสติสัมปชัญญะสติเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้คิดถึงอดีตวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนไม่ต้องคิด อนาคตจะเป็นยังไงวันพุ่งนี่มาเลยนี่ไม่ต้องคิดให้อยู่ในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นให้ดูที่ปลายจมูกมันไปเดึงกลับมามันไปเ ด, ดึงกลับมาตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากว่าข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตไปในอดีตส่งจิตไปในอนาคตข้าพเจ้าจะให้จิตใจของข้าพเจ้าอยู่ความรู้สึกของข้าพเจ้าให้อยู่ในปลายจมูกเท่านั้นขณะ น, นี้คือให้มีความรู้สึกอยู่ใน ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนี่แหละบังคับให้ความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละกุญแจดอกแรกที่เราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญในเมื่อเราบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบจิตใจมันก็ไม่ออกไปข้างนอกเด็ดไม่คิดไปในอดีตที่ผ่านมาไม่สัญญาสงนสัญญาความจําได้ไม่รู้ทั้งหลายตัดทิ้งหมด อนาคตที่จะปรุงไปข้างหน้าตัดทิ้งหมดใจอยู่ในปัจจุบันพอจิตใจอยู่ในปัจจุบันจิตใจจะรวมสงบพอรวมสงบเท่านั้นจิตใจเป็นหนึ่งเท่านั้นรู้ชัดด้วยตนเองทีนี้เออร่างกายของเราเนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจนี่เป็นอันหนึ่งเออเป็นสองจริงๆริกายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกนะแต่ได้เราจะปรับปรุงใจอย่างไรทีนี้ ตัวนี้แหละพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้นี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการที่จะทําที่จะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์จะไปนึกเดาเอาคาดคะเนเอามันไม่ได้ทั้งนั้นแหละมีแต่ทาจิตใจให้สงบเท่านั้นแหะนี่แหละหลักพิสูจน์เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่สั่นศึกษาธรรมะปฏิบัติ ไปอยู่ที่ภูผาป่าไม้อยู่ในถ้ำอยู่ในปา่าช้าอยู่ในที่ลกชัดหามุมสงบนั่งภาวนาหาที่กลัวผีอีกต่างหากถ้าไม่กลัวผีมันคิดนู่นคิดนี่มันคิดนูดน่ น, นมันปุงถ้ามันกลัวผีแล้วใจมันไม่ส่งออกนอกถ้มันกลัวผีมันนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อใจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนานและเลยรู้ได้ด้วยตนเองเลยไม่ต้องถามใคร พระธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตังรู้เฉพาะตนถ้าเรานั่งภาวนาจิตใจรวมสงบแล้วเราจะรู้ได้เออตายแล้วไม่สูญแน่ตายแล้วเกิดอีกบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญ น, นี่แหละวิญญาณออกจากร่างนี่แล้วอาจจะไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นถ้าเราทําชั่วนะถ้าเราทํากรรมดีออกจาก ร่างนี่แล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสุดแท้แต่บุญกุศลมีถ้าเราสร้างบุญกุศลเราก็นุ่นล่ะไปเกิดกับลูกเศรษฐีมาหาเศรษฐีเลยเราไม่ต้องหาเงินยากย แ, แตเนี่เพราะบุญเราพาไปเกิดไปสะเกิดเลยไปเกิดกับลูกเศรษฐีเลยเป็นลูกเศรษฐีเลยพอลูกเกิดขึ้นมาเรารวยเลยเราไม่ต้องหาเงินเลยเพราะเหตุไรเพราะบุญพาไปเกิ ด, กดถ้าบาปพาไปเกิดก็เนี่ยละ เพอๆก็ไปเกิดเป็นท้องช้าง ม, ม้าหมูอัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปเรื่อยล่ะเพราะบาปพาไปเกิดถ้าบุญพาไปเกิดก็เกิดเป็นมนุษย์กกออกจากมนุษย์กับเป็นเทวดาอินพรหมถ้าเราชําระใจของเราใจของเรามีกิเลสราคะโทสะโมหะเราชําระจิตใจของเราได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาคาอนาคาเป็นพระอรหันต์ได้ใจในี่ชำละได้ให้โง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ เพราะนั้นท่านเรียกว่าโลกในโลกหาได้โลกมนุษย์ในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาขี้คุกใส่ตัวเองก็ได้หาเหล้าหายาคันชายยาฝิ่นสิ่งช่วยชาเสียหายหามาใส่ตนก็ได้หาเป็นคนดีก็ได้เพราะนั้นเราเกิดมาแล้วเราหาได้เราจะหาอะไรมาใส่ตนเองเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคเป็นหน้าที่ของพวกเราเราจะหาอะไรเข้ามาหา มาสู่ตนเองถ้าว่าเราหาที่สิ่งที่ช่วยช้าเสียหายมาใส่ตนเองเขากรตราหน้าว่าไอ้โง่อไม่ใช่โง่ธรรมดาบรมะโง่ทั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งที่จะส่องแสวงหาทรัพย์สมบัติคุณงามความดีกลับไปเอารของเลวๆมาใส่ตนเองทําไมมาหาของเลวๆมาใส่ตนเองอย่างนั้น โดยมากนักปราดถาอาจารย์เขาก็จะตำหนิเราได้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะมองตนเองเอาสิ่งที่ดีเอาสิ่งที่ดีดคิดดีทำดีพดูดดีมาสู่กายว่าใจาใจของเราพวกเราจะมีแต่ความสุขความเย็นใจต่อนนี้ไปรับพรอนุมโมทนาให้พร